เวลาเห็นคนหรือว่าสัตว์เดือดร้อนกาลังประสบทุกข์ถ้าเกิดเราเห็นแล้วอยงนิ่งเฉยเฉยเมยทั้งๆ ท, ที่ยังมีโอกาสที่จะช่วยได้แต่ไม่ทำนะแล้วคิดว่าเนี่ยมันเป็นเรื่องของมันเป็นกรรมของสัตว์นะสัตว์ทุกชีวิตเนี่ยก็มีกรรมเของตัวต้องรับผิดชอบกับความทุกข์นั้นนะคิดแบบนี้แล้ว แล้วก็เฉยเมยโดยเข้าใจว่านี่เป็นการบําเพ็ญอุเบกขาอันนี้ไม่ถูกนะมันยังไม่ใช่อุเบกขาที่แท้จริงในพุทธศาสนาเพราะว่าอุเบกขาเนี่ยมันควรจะมาทีหลังเมตตาและกรุณาในความหมายที่ว่าเออมีความปรารถนาที่อยากจะช่วยให้เขาพ้นทุกข์ให้เขาประสบสุขแล้วก็ลงมือช่วย น่ช่วยแล้วเนี่ยมันไม่ประสบผลหรือถ้าช่วยมากไปกว่า น, นี้มันจะเกิดผลเสียอ้าวก็ถึงค่อยอุเ บ, บกขานะคือวางเฉยนาเป็นการวางเฉยเพราะว่าได้มีแม่ตากรุณาแล้วนะได้ช่วยแล้วหรือว่าได้พิจารณาเห็นว่ามันถ้าช่วยมากไปกว่า น, นี้มันจะเกิดผลเสียนะ จึงค่อยวางอุเบกขาอย่างนี้จึงจเป็นอุเบกขาในพุทธศาสนาคือเกิดจากการใช้ปัญญาพิจารณาหลังจากที่ได้มีเมตตากรุณาหรือได้ทาไปด้วยอนานาจของเมตตากรุณาแล้วนะถ้าอยู่ดีๆเนี่ยอุเบกขาขึ้นมาเลยเนี่ยมันยังไม่ใช่นะมันอาจจะเป็นการปล่อยปะละเลยหรืออาจจะเป็นความเพ็งแก่ตัวก็ได้ โดยพ่อเมื่อไม่ได้ใช้ปัญญาพิจารณาว่าที่วางเฉยนี่เพราะว่ามันทำอะไรไม่ได้แล้วหรือว่าทำแล้วมันจะเกิดผลเสียอันนี้คนยังเข้าใจอุเบกขาแล้วก็ปฏิบัติไม่ถูกต้องเยอะนะในอีกด้านหนึ่งนะเมื่อมีแม่ตากรุณาแล้วนี่ ถึง จ, นจนนุดนึงก็ควรจะมีอุเบกขาด้วยก็มีหลายคนนะ้าเมตตากรุณาแบบไม่มีขอบเขตนะจนกระทั่งเกิดพลเสียแล้วก็ไม่รู้จักบำเพ็ญอุเบกขาแบบนี้ก็ยังไม่ถูกต้องนะเพราะว่าการช่วยเหลือเกื้อกูลนะ่ะนะทำนั้น ไม่มีความพอดีไม่มีขอบเขตเนี่ยมันเกิดผลเสียและเมื่อผลเสียเกิดขึ้นเนี่ยก็ต้องรู้จักหยุดนะรู้จักวางผลเสียก็เช่นอะไรนะเออก็เช่นว่าเนี่ยช่วยมากไปกัน่นี่แล้วนี่เขาจะทำผิดมากขึ้นเขาจะได้ใจมากขึ้นทำให้เกิดความเสียหายตามมา หรือว่าถ้าช่วยมากไปนี่เราก็จะเบียดเบียนตัวเองสุขภาพจิตย่าแ ย, ย่หรือเจ็บป่วยหรืออาจจะหมดเนื้อหมดตัวนะเพราะช่วยเขาให้เงินเข้าไปจนกระทั่งตัวเองนี่ไม่เหลือแล้วก็ยังไปกู้นี่ยืมเสียมาช่วยเขาอย่างเงี้ยมันเรียกว่าไม่ตากรุณาเกินขอบเขตเพราะว่าพอตัวเองเดือดร้อนแล้วนอกจากจะ ช่วยตัวเองไม่ได้แล้วเนี่ยยังกลายเป็นภาระของคนอื่นกลายเป็นสร้างปัญหาให้กับคนอื่นไปถ้ามาถึงจุดนี้เนี่ยก็ต้องรู้จักจุดนะจุดตรงนี้เนี่ยเรียกวางเฉยอันตรงนี้เป็นอุเบกขาอุเบกขาเนี่ยคือวางเฉยแต่ว่าไม่ได้เฉยเมยนะยังเฝ้าดูอย่างสงบไม่ใช่เบือนหน้าหนีทุกวันนี้เนี่ยเรา บำเพ็ญอุเบกขาการไม่ถูกต้องเยอะหรือไม่ก็เมตตากรุณานะจนไม่รู้จักวางอุเบกขาอย่างเช่นพ่อแม่เนี่ยรักลูกนะอันนี้ดีนะนมีเมตตากรุณาต่อลูกแต่ถ้าว่าความเมตตากรุณาหรือการช่วยลูกเนี่ยนะมันเกินขอบเขตนะเช่นปกป้องลูกลูกทําผิด เช่นหนีโรงเรียนหรือลักขโมยก็แก้ต่างให้ลูกนะให้ลูกพ้นผิดอย่างนี้ไม่ถูกนะมันเป็นเมตตากรุณาที่ไม่ถูกพาะทำให้ลูกได้ใจทำให้ลูกไม่รู้จักรับผิดชอบกับการกระทาของตัวหรือบางทีตามใจลูกนะลูกอยากได้อะไรก็ให้นะไม่อยากให้ลูกเนี่ยรู้จักคาว่าเสียใจนะ อันนี้ก็ไม่ถูกเหมือนกันนะเพราะมันทําให้ลูกเนี่ยกลายเป็นคนที่เรียกว่าเห็นแก่ตัวอยากได้อะไรต้องได้นะหรือบางทีหนักกว่านั้นนะรูมาของเงินไปซื้อยาหรือว่าไปเล่นการพ น, นันแม่นี่ก็ถือว่าเรารักลูกเนี่ยแล้วก็ต้องให้ให้จกนกระทั่งลูกกลายเป็นคนติดยากลายเป็นคนติดการพ น, นัน แถมแม่หรือพ่อก็ลำบากหมดเนื้อหมดตัวอย่างเงี้ยอันนี้มันก็ไม่ถูกนะเรียกว่าเมตตากรุณาเกินขอบเขตในทางที่ถูกก็คือว่าต้องรู้จักนะบาเพ็ญอุเบกขาเมื่อรู้ว่าช่วยมากไปกว่า น, นี้มันจะเกิดผลเสียผลเสียต่อคนที่เรารักคือลูกแล้วก็เกิดผลเสียต่อตัวเราเองเนี่ย ต้องใช้ปัญญาในะในการช่วยเหลือหรือว่าเวลาเรารักใครเนี่ยก็ต้องมีปัญญาประกอบด้วยว่าช่วยแค่ไหนนะจึงจะพอไม่ก่อให้เกิดผลเสียถ้าเกิดผลเสียเมื่อไหร่ต้องรู้จักอุเบกขาอันนี้ก็รวมไปถึงความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยาหรือว่ามิตรสหายด้วยก็ธรรมดานะสามีภรรยาคู่ครองก็ย่อมมีความรักมีเมตตากรุณา แต่ว่าก็ต้องดูแลเมตตากรุณานั้นให้อยู่ในขอบเขตเพราะว่าถ้าทำมากไปมันก็เกิดผลเสียเช่นบางคนนี่ก็ยอมนะยอมให้คู่ครองเนี่ยโดยพ่อสามีเนี่ยนะดูด่ า, าว่ากล่าวบางทีก็ไม่ใช่แค่ดูด่าว่ากล่าวนะดูถูกเยียดยมเป็นทีรร่รองรับอารมณ์หรือบางทีก็ ถัวเขาใช้ความรุนแรงนะก็ยอมนะโดยเข้าใจว่าเอออันนี้เป็นการแสดงความเมตตากรุณาเป็นการแสดงความรักนะหรือว่าเขามาเอาเงินมาของเงินมาคลาย จ, จนทํางทีคาดคันเอาเงินไปกินเหล้าไปเป็นการพนันเนี่ยก็ยอมถือว่านี่เป็นการแสดงเมตตากรุณาก็อาจจะจริงนะ แต่ว่าแม่ตากรุณาเนี่ยมันก็ต้องมีขอบเขตอย่างที่ว่าถ้าว่าเรายอมไม่ก็ทำไปเรื่อยๆมันก็จะเกิดผลเสียผลเสียต่อตัวเขาเองทำให้เขาได้ใจทำให้เขาหลงผิดนะทให้เขาเนี่ยกลายเป็นคนที่เห็นแก่ตัวมากขึ้นหรือว่ามันเป็นผลเสียกับเรานะขอให้เขาเอาเปรียบ จนกลายเป็นขังเป็นการเบียดเบียนตัวเองนันเท่าเมตตากรุณาจนระทา่งกลายเป็นการเบียดเบียนตัวเองถึงขั้นว่าเราย่ําแย่เสียศูนย์หมดเนื้อหมดตัวหรือว่ากลายเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยอย่างนี้นี่มันไม่ถูกต้องแล้วเพราะว่ามันทําให้เราไม่สามารถจะดําเนินเชีวิตในทางที่ถูกต้องดีงามหรือว่ากลับกลายเป็นภาล่าคนอื่น ถ้ามาันจุดนี้ต้องใช้ปัญญาพิจารณานะว่า อ, อทำมาไปกว่านี้ไม่ถูกต้องแนละ้วแล้วควรจะทำยังไงนะอาจจะเริ่มต้นจากการตักเตือนนะตักเตือนว่าทงนี้ไม่ถูกชี้แนะว่าทํานี้ไม่ดนะีจะมาต่อว่าด่าทอจะมาระบายอารมณ์ใส่ฉันนี่ไม่ถูกนะต้องกล้าพูดนะแต่พูดด้วยนะความปรารถนาดีนะคือเมตตากรุณาหรือไม่โกรธ เมตตากรุณาไม่ได้แปลว่าต้องตามใจทุกอย่างเพื่อไม่ให้เาผิดหวังบางทีก็ต้องขัดใจบ้างจะททำไปด้วยความปรารถนาดีจะททำแล้วนี่เขาไม่ฟังเขายังทำอีกเถมเกิมได้ใจตรงนี้ก็ต้องยุยติแล้วนะยุติความช่วยเหลือตรงนี้แหละที่เรียกว่าอุเบกขาคือวางเฉยนะเพราะรู้ว่าช่วยมากไปกว่า น, นี้ มันจะเกิดผลเสียทำให้เขาได้ใจทำให้เขาทำผิดซ้ำซากรุนแรงมากขึ้นหรือว่าเป็นการเบียดเบียนตัวเราแล้วพอเราถูกเบียดเบียนเข้าบางทีทำใจไม่ได้นะเจ็บป่วยขึ้นมาเสียสูญขึ้นมาแย่เข้าไปอีกนะนอกจากไม่ได้ช่วยเขาแล้วนี่แถมยังทำร้ายตัวเองมันก็ไม่ถูกนะ แบบนี้เนี่ยก็ต้องอุเบกขาก็คือว่ายุติการช่วยเหลือหรือวางเฉย อ, อยาจะต้องวางระยะกันได้ซ้ํำนะวางระยะห่างกันเลยไม่ใช่เพื่อลงโทษเขานะแต่เพื่อให้เขาเนี่ยได้เรียนรู้แล้วก็เพื่อให้เขาได้มารับผิดชอบกับการกระทําของตัวเองซึ่งจะทําให้เขาเนี่ยอาจจะได้คิดแล้วก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดังนั้นการวางเฉยนะ ในลักษณะเนี่ยคือวางระยะห่างบางทีอาจจะหนีไปไกลๆเลยนะเพื่อให้เขาได้ทบทวนได้บทเรียนรู้จักรับผิดชอบตัวเองอันนี้เป็นสิ่งที่ควรจะทำด้วย น, นี่คือกรารวางอุเบกขานะที่ไม่ควรมองข้ามนะเมตตากรุณาดีแล้วนะแต่ต้องมีขอบเขตต้องรู้ว่าแค่ไหนควรจะพอ หรือท้ารหรือว่ามากไปกว่า น, นี้จะเกิดผลเสียก็ต้องหยุดวางเฉยแต่ไม่ใช่ปล่อยไปลยแล้วเลยนะยังมีการเฝ้าดูด้วยใจที่สงบเฝ้าดูอยวงหาง่าวถ้าถึงโอกาสที่ควรจะช่วยก็ช่วยถ้ายังไม่ใช่โอกาสก็ก็ต้องเฝ้าดูไปก่อนดูเบี้ยขาเ่า น, นี้ก็จําเป็นนะสำหรับความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นระหว่างพ่อแม่ลูกหรือว่าคู่ครองหรือแม้กระทั่งครูบาอาจารย์กับลูกศิษย์หรือมิตรสหายนะ ถ้าใช้ถูกนะนะเมตตากรุณามุทิตาเบคขามก็จะทำให้เกิดความถูกต้องดีงามความเจริญถ้าทำผิดมันก็เกิดผลเสียทั้งกับผู้ที่เราอยากจะช่วยแล้วก็กับตัวเราเองด้วย